สานีวิดิวคราบครัวกาวสตรออยเฟมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรประชาพระมหาใบบุญอาภีปุณโณในช่วงต้นสัปดาห์เราก็จะนําเรื่องราวของนิทานธรรมบทมาให้ท่านบูฟังได้ฟังกันในวันนี้นำมาให้ฟัง2เรื่องด้วยกันทั้สงสเรื่องค่อนข้างดราม่ามากท่านบูฟังในวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของลูกเศรษฐี อยากได้นางฟ้อนเป็นเมียพอได้แล้วเขาไม่ยอมอยู่ด้วยก็ตามเข้าไปโรกหกระเหินไปกับคณะละครจนสุดท้ายก็ได้บวชบวชแล้วก็บรบุษทำขั้นสูงด้วยนั่นก็คือเรื่องของอุคคเสนะเศรษฐีบุตรเกิดเป็นลูกของเศรษฐีก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยินดีในทรัพย์ที่ตัวเองมีกลับไปทำอาชีพเป็นนักแสดง เรามาฟังเรื่องราวของอุคาสเสนะบุตรของเศรษฐีได้ยินว่าทุกรอบปีหรือทุกหกเดือนพวกนักฟ้อนประมาณ500จะไปยังกรุงราชจุรืแสดงมหโรศพถวายพระราชาทอดพระเนตรตลอดเจวันได้เงินและทองเป็นอันมากระหว่างแสดงมีการให้รางวัลไม่หยุด มหาชนได้ใช้เตียงซ้อนเตียงคือแหกันมาชมมหหรสบในตอนนั้นลูกสาวนักกายกรรมคนหนึ่งขึ้นไปยังราวไม้ไผ่หกคเมนบนราวไม้ไผ่เดินรำร้องในอากาศตรงปลายไม้ไผ่นั้นสมัยนั้นบุตรเศรษฐีชื่ออุคะเสนกับสหายยืนอยู่บนเตียง ที่วางสอนสอนกันเห็นหญิงนั้นเกิดความรักขึ้นในอิริยาบถ ท, ที่นางแกว่งมือและยกเท้าเป็นต้นกลับมาบ้านก็อดข้าวนอนเศร้าอยู่บนเตียงด้วยคิดว่าถ้าได้นางจึงจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ก็จะตายอยู่ตรงนี้แหละอย่งนี้เมื่อมารดาปิดาถามว่าพ่อ เจ้าเป็นโรคอะไรอุกาสเซนนะก็บอกว่าเมื่อได้ลูกสาวนักกายกรรมคนนั้นลูกจึงจะอยู่ถ้าไม่ได้ก็จะตายเสียในที่นี้ตีเดียวถึงมารดาก็ปลอบว่าพ่อเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยพ่อแม่จะหาหญิงคนอื่นซึ่งมีตระกูลและโปรคะเท่าเทียมกันมาให้เขาก็ยังนอนต่อไปและยืนยันอย่างนั้นนั่นแหละตอน อุคัสเสนะได้นางนักฟ้อนสมประสงค์ลำแบบนั้นบิดาของเขาอ้อนวอนหลายครั้งเมื่อไม่สามารถให้เขายินยอมได้จึงเชิญเสหายของนักกยกรรมมาให้ซับใบพันกหาปณะนะทรงไปด้วยกำว่าขอให้นักกยกรรมรับเอากหาปณ ะ, ะเหล่านั้นแล้วยกลูกสาวให้บุตรของเราเถอร์ นักกายกรรมนั้นก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารับเอากหาปณ ะ, ะอย่างเดียวแล้วยกลูกสาวให้ไม่ได้ถ้าลูกชายของท่านไม่ได้ลูกสาวของข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ลูกของท่านก็ต้องเที่ยวแสดงไปกับพวกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะยกลูกสาวให้มาดาบิดาบอกความนั้นให้บุตรรู้อุคขาเสนาจึงพูดว่า ฉันจะติดตามพวกนักกยกรรมคณะนั้นไปไม่สนใจคำร้องขอของมาดาบิดาเดินทางไปหาคณะนักแสดงเหล่านั้นหัวหน้านักแสดงก็ยกลูกสาวให้เขาแล้วที่เยวแสดงศิลปะไปตามขามนิคมและราชธานีโดยมีอุคาเสนะไปด้วยฝ่ายนางนั้นอาศัยการอยู่ร่วมกันกับบุตร เศรษฐีนั้นในเวลาไม่นานก็ได้บุตรคนหนึ่งเมื่อจะกระเซาลูกนั่จึงพูดว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไรนั่นี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะบุตรเศรษฐีนั้นคนย่ามาให้โคในที่พักกองเกวียนและขนของที่ได้ในการแสดงศิลปะขึ้นเกวียนว่ากันว่า นางพูดกระเซาลูกเช่นนั้นเพื่อกระทบถึงสามีนั่นเองบุตรเศรษฐีนั้นทราบว่านางร้องเพลงหมายถึงตนจึงถามว่าหล่อนพูดหมายถึงฉันอย่างนั้นหรือภรรยาถูกแล้วฉันหมายถึงท่านเองเศรษฐีบุตรก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉันจะหนีไปละนางจึงพูดว่าจะไปหรือมาฉันก็ไม่สนใจ นางก็ยังร้องเพลงนั้นต่อไปได้ยินว่านางยิงในรูปสมบัติของตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จึงไม่เกรงใจบุตรเศรษฐีนั้นแต่อย่างใดบุตรเศรษฐีนั้นคิดว่าทำไมานางจึงถือตัวเช่นนี้ดังนี้ทราบว่าเพราะอาศัยศิลปะดังนี้จึงตัดสินใจว่าเอาเถอะเราก็จะเรียนศิลปะ นังนี้แล้วก็เข้าไปหาพ่อตาเรียนศิลปะอันเป็นความรู้ของพ่อตานั้นแสดงศิลปะตามขามานิคมเป็นต้นเรื่อยไปมาถึงกรุงราชจุฬาโดยลำดับให้โฆษณาว่านับจากนี้เจ็ดวันบุตรเศรษฐีชื่ออุคาเสนะจะแสดงศิลปะแก่ชาวเมืองตอนอุคาเสนะ แสดงศิลปะชาวเมืองให้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันเป็นต้นแล้วแห่กันมาชุมนุมกันในวันที่เจ็ดฝ่ายอุค้าเสนนั้นได้ขึ้นไปสู่ไม้ไผ่สูงหกสิบศอกยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่นั้นวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุค้าเสนะนั้น เข้าไปในกายคือพระยานของพระองค์จึงทรงพิจารณาว่าจะเกิด อ, อะไรขึ้นหนาะดังนี้ได้ทรงทราบว่าพรุ่งนี้บุญเศรษฐีจะยืนบนปลายลาไม้ไผ่เพื่อแสดงศิลปะมาหาชนจกชุมนุมกันเพื่อชมการแสดงเราจะแสดงกระด า, าประกอบด้วยบทสี่บทในสมาคมนั้น ซตแปดห0สพันจะได้บรรลุธรรมเพราะฝั่งธรรมะนั้นฝ่ายอุกาเสนะก็จะตั้งอยู่ในพระอรหัสต์ในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงกำหนดเวลาแล้วมีพิสุสงแวดล้อมเสด็จเข้าไปบินดบาบยังกรุงราชจุกรก่อนที่พระศาสดาจะเสด็จเข้าไปภายในพระนครนั้นแหลอุกาเสนะ ได้ให้สัญญาณด้วยนิ้วมือแกมหาชนเพื่อให้ส่งเสียงโ่วร้องยืนบนปลายไม้ไผ่ตีลังกาพลิกเจ็ดรอบในอากาศแล้วยืนบนปลายไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งตอนอุคเสนะแสดงศิลปะแก่พระมหาโมคคลานะขณะ น, น, นั้นพระศ า, าสดากำลังเสด็จไปถึงพรนณกร ทรงบันดาลให้ผู้ชมไม่ดูการแสดงของเขาให้เหลียวดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นอุค้าเสนะมองดูผู้ชมแล้วเกิดความเสียใจว่าผู้ชมไม่ดูเราเลยดังนี้มีความคิดว่าศิลปะนี้เราเพิ่งแสดงครั้งแรกในรอบปีก็เมื่อพระศ า, าสดาเสด็จเข้ามาอย่างพระนกรผู้ชมไม่ดูเรา ดูแต่พระศาสดาเท่านั้นการแสดงศิลปะของเราไม่มีประโยชน์เสียแล้วพระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสเรียกพระมหาโมกขลนะมาแล้วรับสั่งว่าโมกขลนะเธอจงไปบอกบุตรเศรษฐีให้แสดงศิลปะเถิดพระเถระไปยืนอยู่นะใต้ราไม้ไผ่นั่นแลเรียกบุตรเศรษฐีแล้ว กล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดอุคเสนะบุตรนักแสดงผู้มีกำลังมากเชิญท่านดูเชิญท่านทำความยินดีแก่ผู้ชมเถิดเชิญท่านทำหมาชนให้ร่าเริงเถิดเขาได้ฟังคำพูดของพระเถระแล้วดีใจคิดว่าพระศาสดามีประสงค์จะดูศิลปะของเราัง น, นี้แล้ว ยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่แล้วกล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดท่านโมกขลานะผู้มีปัญญามากมีฤทธิ์มากเชิญท่านดูกระผมจะทำความยินดีแก่ผู้ชมจะทำมหาชนให้ร่าเริงครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอุคคเสนะก็กระโดดจากปลายไม้ไผ่ดีตัวในอากาศตีลังกา14ีครั้งในอากาศ แล้วกลับลงยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่ตามเดิมลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับเขาว่าอุคเสนะธรรมดาบัณฑิตกวรละความอาลายัยรักใคร่ในการทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วเปลืองตนให้พ้นจากทุกขมีการเกิดเป็นต้นนังนี้แล้ว แรลดพระคถานี้ว่ามุนจะบุเรมุนจะปัจชะโต ม, มัชเชมุนจะพระวัสสะปารคกูสัพพัท ธ, ธะวิมุตตะมานะโสนะปุนะชาติฉลังอุเปหิสิแปลว่าท่านจงเปลี่ยงความอาลัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสีย จึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบเมื่อมีใจหลุดพ้นในสังกตาธรรมทั้งปวงแล้วจะไม่เข้าถึงการเกิดและการแก่อีกตอนแก้อัดนินมดาคำเหล่านั้นคำว่ามุนจะปุเรแปลว่าจงปล่อยความรักในอดีตหมายความว่าจงปล่อยอาลัยคือความยินดีความหมกมุ่น ความปรารถนาความกรุ่นคิดความยึดถือการลูกกลำความอยากในกันทั้งหลายที่เป็นอดีตเสียคำว่าปุ ช, ชโตแปลว่าอนาคตหมายความว่าจงปล่อยความอาลัยเป็นต้นในกันทั้งหลายที่เป็นอนาคตเสียคำว่ามัชเชแปลว่าปัจจุบันหมายความว่า จงเรื่องอะไรเหล่านั้นในขันทั้งหลายแม้ที่เป็นปัจจุบันเสียคำว่าภาวะสระรัูแปลว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบหมายความว่ า, วาเมื่อปฏิบัติได้อย่างนั้นจะเป็นผู้ถึงฝั่งคือไปแล้วสู่ฝั่งแห่งพบทั้งสามได้ด้วยอำนาจการกำหนดรู้การละการเจริญและการทาให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งมีใจพ้นแล้วในสังคตรธรรมต้องปวงมีขันธ์ธาตุอรยธนะเป็นต้นอยู่ไม่ต้องเข้าถึงการเกิดการแกร่และการตายอีกต่อไปในการจบเทศนาสัตว์ทั้ง 84,000 ได้ตรัสรู้ธรรมมาแล้วตอนอุคาเสนะทูลขอบัะชาอุปสมบท ฝบุญเศรษฐีก็เนื้ยืนอยู่บนปลายราไม้ไผ่บรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมิทาจึงลงจากราวไม้ไผ่มาเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ทูลขอแบนะชากับพระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาทรงเหยียดพระหัสเบื้องขวาออกไปแ ล, ล้วตรัสกับเ่าว่าเธอจงเป็นภิกษุก มาเถิดท่านใดนั้นอุคัสเนนะนั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปดพระหนึ่งพระเถระตั้งห0สิพรรษาต่อมาพวกภิกษุถามท่านว่าคุณอุคาสเนนะเมื่อลงจากปลายราวไม้ไผ่สูงตั้งห0สบศอกไม่กลัวบ้างหรือเมื่อพระอุคาสเนนะตอบว่าผมไม่กลัวเลย ภิกษุทั้งหลายจึงกลา่าวตูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอุคาเสนะพูดว่าไม่กลัวเธอพูดไม่จริงเธออวดคุณวิเศษพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้มีสังโยชนอันดได้แล้วเช่นกับอุคาเสนะผู้บุตรของเราหากลัวหาพรั่นปรึงไม่ดังนี้แล้วก็ได้ตรัส ประถาในาหมะว a p คว่าผู้ใดแลแตัดสังโยน์ทั้งปวงได้ไม่สะดุ้งเราเรียกผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องค้องได้ผู้หลุดพ้นแล้วนั้นว่าเป็น Brah ดังนี้ในเวลาจบเทศนาคนจานวนมากได้ตรัสรู้ธรรมรุ่งขึ้นวันหนึ่งพวกพิสุสนทนากันในโรงธรรมว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายอะไรหนอเป็นเหตุให้ภิกษุผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัดเช่นนี้ต้องสัญจรเร่ร่อนไปกับคณะนักแสดงเพราะลูกสาวนักกายกรรมอะไรเป็นเหตุเกิดแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหัด ต, ตอนพระศาสด า, าตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสนะ พระศาสดาเสด็จมาถึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งสองนั้นอุคเสนะทําไว้เองเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงยกอดีตนิทาน ม, มา แล้ตรัสว่าในอดีตการขณะที่เขากำลังสร้างสุพรรณนเจดีสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะทศพนพวกกุลบุตรชาวเมืองพารณาณสีใช้หย่า น, น้อยบรรทุกของขบเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากเดินทางไปสู่เจตยสถานด้วยตั้งใจว่า พวกเราจะช่วยแรงงานในการก่อสร้างหังนี้ในระหว่างทางพบพระเตระองค์หนึ่งกำลังเข้าไปบินาบาทและแบบนั้นนางกุลธิดาคนหนึ่งเห็นพระเตระจึงพูดกับสามีว่านายพระผู้เป็นเจ้าของเราเข้ามาเพื่อบินาบาบอันหนึง่งในยานของเรามีของกบเคี้ยว ของบริโภคเป็นอันมากจงนำบาทของท่านมาเราจะถวายพิษาท่านสามีจึงได้นำบาทมาเ่าทั้งสองนำของขวักบเกี้ยวของขวรับริโภคใส่บาทจนเต็มนำบาทไปวางลงในมือของพระเทระและทําความปรารถนาร่วมกันว่าท่านชก้าเราทั้งสองคนพึงมีส่วนแห่งธรรม อันท่านเห็นแล้วนั้นเถิดก็พระเตระ ร, รูปนั้นเป็นพระขีนาศพเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเล็งดูก็ทราบว่าความปรารถนาของเขาทั้งสองจะสําเร็จผลจึงยิ้มหญิงนั้นเห็นท่านยิ้มจึงพูดกับสามีว่านายพระกุณเจ้าของเราทำอาการยิ้มท่านคงเป็นลูกนักแสดง ฝ่ายสามีของนางตอบว่านางผู้เริญข้อนั้นคงเป็นอย่างนั้นดางนี้แล้วก็เดินทางต่อไปนี้เป็นบุรพกรรมของเขาทั้งสองนั้นสามีปริยา น, นั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นจนสิ้นอายุก็ได้ไปเกิดในเทวโลกเกลื่อนจากที่นั้นแล้วฝ่ายหญิงนั้นเกิดในเรือนของนักแสดง ฝ่ายชายเกิดในเรือนของเศรษฐีพระอุกาเสนานั้นพระตอบแก่ภระยาว่าคงเป็นอย่างนั้นจึงต้องเร่ร่อนไปกับพวกนักฟ้อนและเพราะเขาถวายบินตาบาดแก่พระเทระผู้ขี่นาศพจึงบรรลุพระอารหัตหนังนี้ฝ่ายทิดาของนักแสดงนั้นคิดว่าสามีของเราดำเนินชีวิต แบบใดเราก็จะดำเนินชีวิตแบบนั้ น, นงนี้แล้วจึงออกบวชในสำนักของภิกษุณีได้บรุกุพระรหัสแล้วแหละเรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสนะจบเรื่องของเศรษฐีบุตรอุคคเสนะนี้ที่ข้าพเจ้าพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าดราม่ามากก็เพราะว่าเป็นกรรมนั่นแหละที่ท่านได้ทำมา จากเหตุการณ์เก่าๆดันไปพูดถึงพระรูปหนึ่งที่ได้ไปใส่บาตว่าสงสัยเป็นลูกนักสแสดงก็เลยได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ได้ต้องติดซอยห้ยตามกันไปในชาติถัดมาถัดมาเพราะฉะนั้นเรื่องของวาจาเนี่เราก็ต้องระวังกันมากด้วยบ้างการที่จะไปปราโาทใครเนี่ยก็จะเป็นกรรมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาสอนมาในนิทานธรรมบทเรื่องที่สอง ที่จะให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐีอีกเหมือนกันตอนนี้เป็นเศรษฐีที่ชื่อว่าอนาตบินทิกขเศรษฐีเรื่องนี้ก็ดราม่าตรงที่ว่าเมื่อก่อนมีเงินจนกระทั่งจนจนไม่มีเงินแล้วก็กลับมามีเงินอีกครั้งหนึ่งใหม่การที่จะทําความดีหรือความชั่วตรงนี้ล่ะที่เราจะมาศึกษากันเรื่องของอนาาบินทิขเศรษฐีท่านผู้ฟังความพิสดารว่าอนาต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 แต่ไม่อาจถวายทำให้ปณีตได้ในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อพระาศาสดารับสั่งว่าเครือบดีก็ทานในตระกูลท่านอย่างให้อยู่หรือเศรษฐีนั้นกลาบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลของข้าพระองค์อย่างให้อยู่ก็ทานนั้นใช้ข้าวปลายเกลียน มีน้ำส้มปรอูมเป็นที่สองพุชค่าตอนเมื่อมีจิตผ่างใสท่านที่ถวายไม่เป็นกองเลวที่นั้นพระศ า, าสดาตรัสกัเศรษฐีนั้นว่าก็ไ้บดดีท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตประนีตแล้วท่านที่บุคคลถวาย แด่พระอรันทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเส้าหมองย่อมไม่มีกระบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคลทั้งแปดแล้วส่วนเราในการเป็นเวลามะปราบนั้นกระทำชาวชมพูชวีปแต่สิ้นให้พักไถานาอย่างมหาทานให้เป็นประยู ไม่ได้ทักกินยะีบุคคลไรๆแม้พูดถึงซึ่งไตรสรณนคมชื่อว่าทักกินเนียบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนิดเพราะเหตุนั้นท่านอยากคิดเลยว่าทานของท่านเจ้าหมองและได้ตรัสเบละมะสูตรแก่เศรษฐีนั้นตอนเทวดาเตือนเศรษฐีให้เลิกการบริจาค ครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเษฐีเมื่อพระศาสดาและสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้พระเด่นแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่านั้นเทวดานั้นมีความคิดว่าพระศาสดาและพระสาวกเหล่านี้จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใด เราจะยุยงเครือบดีด้วยประการนั้นก็แม้ใกล้จะพูดกับเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรอะไรในการที่เศรษฐีเป็นดีสระก็มีความคิดว่าก็ในบัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้วคงจะเชื่อฟังคำของเราเยวดานั้นในเวลาราตรี จึงเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีได้ยืนอยู่ในอากาศขณะนั้นเศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่านั่งไกลเทวดามาเศรษฐีข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิจอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านมาเพื่อต้องการเตือนท่านเศรษฐีเทวดาถ้าเช่นนั้น เชิญท่านผู้เฒิด เ, ดเดยวดามหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหลังเลยจ่ายทรัพย์เป็นันมากในศาสนาของพระสมนาสัมมบัด น, นี้ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้จะไม่ได้แม้วัตถุจักว่าอาหารและเครื่องนุ่งหม่มโดยสองถึงสามวันแน่แท้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 ก็แลกรันออกไปแล้วไม่ได้ที่อยู่ในที่อื่นจึงมีความคิดว่าเราจะให้เศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมนั้นเทวดานั้นจึงเข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครแจ้งความปิดที่ตนทำแล้วกล่าบว่าเชิญมาเถิท่านขอท่านจงนำข้าพระเจ้าไปยังสำนักของเศรษฐีให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้ว ให้ที่พักอยู่แข่ข้าพเจ้าเทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคาไม่สมควรข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสานักของเสตีได้เทวดานั้นจึงไปสู่สานักของท้ามาราชทั้งสี่ก็ถูกท่านเหล่านั้นห้ามไว้จึงเข้าไปเฝ้าเท้าส ก, กัดเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้สงสาบแล้ว ได้ทูลวิงบอลอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ต้องจูงพวกทากทรกเที่ยวโรครเฮนหาที่พึ่งไม่ได้ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดตอนท้าวสักกะส่งแนะนำอุบายให้เทวดาคราวนั้นท้าวสักกะตรัสกับเทวดานั้นว่า ถึงเราก็ไม่อาจากล่าวกับเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้เช่นเดียวกันแต่จะบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึง่งเทวดาดีล ะ, ทะเทพเข้าขอพระองค์ทรงกรุณาตรัสบอกเถิดท้าวสักกะไว้เถิท่านจงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือคือสัญญากู้เงินจากมือเศรษฐีแล้วนาไปให้เขาชาระซั์ 18โกดที่พวกกาขกายถือเอาไปด้วยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่ารัพย์อีก18โกดที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีซัพย์18โกดส่วนอื่นซึ่งหาเจ้าของม่ได้มีอยู่ในที่ฝั่งโน้นก็ดีแต่ จ, จงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นบรรจุไว้ให้เต็ม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 ได้ดำรงตนอยู่ในอากาศเมื่อท่านเศรษฐีถามว่านั่นใครเทวดานั้นจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันตปาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สีของท่านคําใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านด้วยความเป็นอันตปาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ ท, ำทํำธนตกรรม ด้วยการรูรรบรวมทัพ45โกรมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของท้าวสักกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากอณาถาบินดิกาเศรษฐีคิดว่าที่วดานี้กล่าวว่าันตกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้และรู้สึกโทษความผิดของตนเราจะแสดงเทียวดานั้น แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสตีนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลรมอันเทวดานั้นทำแล้วทั้งหมดเทวดามอบลงด้วยเสียงกล่าวแทบพระบาทยุคนแห่งพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันดพาน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 กรรมดีของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสือ่อปุถุสันที่แสดงธรรมที่ได้ตรัสภาษิตพระกาถาเหล่านี้ว่าปาโปปิปัสติพตรังยาวะปาปังนะปัจจติยทาจะปัจจติปาปังอัตาปาปานิปสติ พัตโรปิปัสติปาปังยาวะพัตตรังนะปัสติยะทาจะปัจจติพัตตรังอาทะพัตรานิปัสติแปลว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาบให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทากรรมดี